ให้ตรงดำรงสติให้มัน่น <c oughs> อย่าไปเกงกล้ามเนื้อหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดน <c oughs> <c oughs> อกจากจะนั่งให้สบายแล้วหายใจให้สบายด้วย คือคามเนื nữa, อส่วนใดส่วนหนึ่งเิตก็อย่าไปบงังคับหรือกดข่มให้เกิดมีความสงียงแต่ให้กำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ในช่วงนี้ขอให้ ท, ทุกคนทรงตั้งสติกำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ ไม่ต้องเป็นนึกถึงอะไรตั้งสิเว้นแต่ว่าจิตของเราเีิดอะไรขึ้นมาเองแต่ให้มีสติกำหนดรู้ถ้าจิตรู้อยู่ที่จิตสติรู้อยู่ที่จิตว่างๆอยู่ก็ ป, ปล่อยให้ว่างเรื่อยไป <c oughs> ถ้าเกิดความคิดให้รู้ความคิดถ้าว่าก็ให้รู้ความว่างถ้าจิตไปรู้ลมหายใจก็ให้รู้ที่ลมหายใจให้เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างสามจังหวะนี้แล้วอยาไปบังคับจิต อย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจน้อมไปหาลมหายใจอย่าไปตั้งใจให้ว่างอย่าไปตั้งใจให้คิดเพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองเคย อ, อยู่เท่านั้นมืในท่านนี้เอาอย่างนี้กอด เมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังแยกกันไม่ออกอะไรที่ผ่านก็มาทางกายคือสัมผัสเรารู้เสียงผ่านมาทางหูเราก็รู้ในขณะนี้สิ่งที่เราจะรู้ก็คือเสียงกับสิ่งที่มาสัมผัสกับสร้างกาย และเดชนาตุกที่เกิดขึ้นที่กายของเราสิ่งต่างานี้เกิดขึ้นที่ตัวเราจิตเ ข, ขาสามารถที่จะรู้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเอาให้กำหนดไว้เพียงแค่หนึ่งก่อนจะได้ย้อนไปเล่าถึงท่านชายสิทธัตถะ เมื่อเสด็จออกตรงขนวดคือบวชแล้วได้ไปเที่ยวเรียนรมาฐานในสำนักคณาจารย์ต่างๆที่มีในประเทศอินเดียสมัยนั้นสำนักแรกที่พระองค์ไปเรียนก็คือวัดของท่านอาลาณดาบุตุท้าดาบุตร ท่นอาลาลดาบทอุทกดาบทสอนให้พระองค์บรรลนสมาธิแบบทานสมาบัติไม่ทราบว่าอาจารย์ของท่านสอนให้ท่องบนบทไหนเพราะในคำทีไม่ได้กล่าวไว้เป็นแต่เพียงว่าไปเรียนอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์ทงังสอง ผลของการทำสมาธิผานคายได้สมาธิสำเร็จสมาธิแดดทานสมาบัติสมาธิแดดทานสมาบัติหมายถึงสิตสมาธิที่มีบิ่ตกบิจานปีติสุเอกับขษา จิดำรงอยู่ในสมาธิขั้นที่มีวิตกวิจารปีสุขเ จ, ก, จกัสต า, าเป็นปฐมฌานเมื่อจิตสงบละเอียดจิดนิ่งว่างกว่างอยู่เฉยๆไม่มีความคิดือไม่มีวิตกวิจารสมาธิขั้นนี้เป็นเองโดยอัตโนมัติ มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิขั้นนี้อยู่ในสุติยฐานฐานที่สอเมื่อจิตสงบละเอียดอาการของปีติหายไปยังเหลือแต่สุขเอกับขจารสมาธิอยู่ในฐานที่สามเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปกายก็ละเอียด แล้วก็จางหายไปเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตนตัวหายไปหมดจังเหลือแต่จิตดวงเดียว ส, ว, สว่างสะใภ้อยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีเอกขตาคือความเป็นหนึ่งกับความเป็นกลางวางเฉยของจิตเป็นลักษณะ สมาธิอยู่ในจตุฐ ท, ทานคือทานที่สี่แล้วสมาธิเจ็ดเก้าขึ้นไปสู่อากาตกำหนดความว่าเป็นอารมณ์เป็นอาตาสานัญจายตนะกำหนดตัวรู้คือวิญญาณเป็นวิญญาณั ญ, ญาณจายตนะในขณะที่กำหนดโลปิญญาณ สัญญาเวทนาเบาบางลงหรือหายไปเป็นอาจินจัญญ า, าจตนะเปลี่นใจได้เอลงไปเกิดจะรู้เกิดจะรู้สึกว่ามีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่เป็นเดว่าสัญญานาสัญญาจตนาผ่านชาเรียนจบหลักสูตรของท่านเหล่านั้น แล้วสามารถที่จะทำได้ดีด้วยจนอาจารย์ชวนให้เส็จอาจารย์สอนกั้วยอยู่ในสำนักพระองค์ไม่ต้องการสมาธิตามแบบดังกล่าวนี้พวกพระที่ศาสนาตามก็ถือว่าสำเร็จกานิพานเหมือนกันเพราะความโู้ของเขามีอยู่เพียงแค่นั้นแต่ท่านท่านชายจิทธะ รู้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่สำเร็จแล้วองค์ก็ออกจากสำนักนั้นไปเที่ยวปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองเือไปปฏิบัติอยู่ในป่าด้วยวิธีการทรมานตนด้วยสการต่งาง มีการย่างตนบนกองไฟอดข้าวอดน้ำกลั่นลมหายใจพระองค์ไปทดสอบดูหมดทุกวิธีการแต่เสร็จแล้วก็อย่างดีก็ได้ทานสมาบัตจังที่กล่าวแล้วแล้วพระองค์ก็จะยังคิอว่ามันมันยังไม่ใช่ อุบายที่จะให้สําเร็จเป็นพระสมบัติสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าวิธีการปฏิบัติในสมัยนั้นคือเขานิยมปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าแบดไหนอย่างไรพระองค์ก็เรียนรู้และศึกษารู้หมดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี่ตรงปรมาณพระองค์เองด้วยการบดอดพระกยายหารเพื่อไม่ขันข้าว นอกจากจะไม่ขันข้าวแล้วก็ยังไม่ขัานน้ำด้วยในที่สุดกลั้นลมหายใจจนพักกันคือหูอื้อแต่แล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะให้สำเร็จอย่างดีก็สำเร็จสมาบัตแตดเท่านั้นเมื่อพระองค์ได้ทดสอบดูทุกวิธีการแล้วสนิฐานแน่ถ้าไถาว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ ภายหลังพระองค์จึงมาดำริในการที่จะเปลี่ยนวิธีการใหม่แต่ว่าการที่เราจะมาเปลี่ยนวิธีการนี้ต้องได้อาหารสำหรับบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรจึงในวันเพ็ญเดือนหกวิสาขาบูชานั่นเองรางสดชาดาลกสาวเศรษฐี ได้จัดข้าวมาโบทปลาญาตินําไปจะสังเวยเทวดาที่ต้นไทรต้นไทร ต, น, ตนที่ท่านประทับนั่งจัดสรุนั่นเองพอไปถึงจึงได้เห็นท่านชายเศรษถาประทับนั่งอยู่ก่อนแล้วดีอกดีใจกเบื้องก่อนนี้เรามาสังเวยเทวดาทีไรไม่เคยมีเทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนเลย มาคราวนี้เทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนแล้วจลอยความปรารถนาของเราจะสำเร็จตามที่เราตั้งปฏิธานเอาไว้ประมันจึงน้อมข้าวมทโบทราญาตเข้าไปทูนเก้าสวายเพื่อความดีอกตีใจถ้าองค์รับแล้วก็ปั่นมัดขา้าวมะโบทราญาตแบงออกเป็นสี่สิบเก้ากอน แล้วก็ทรงสเสวยคือรักฐานนั่นเองรวดเดียวหมดหมดทั้งสี่สิบเก้ากอนพอสเสวยเสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานเสียงขาดทองคำคือลอยขาดทองคำที่เมืน้ำเนรันสราพระองค์ตั้งก็ไทยอธิษฐานว่าไงพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ขอให้ถาดทองคําลอยไปตามกระแสะน้ําแล้วก็จมลงในแม่น้ําถ้าหากเราจะได้สาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วไ้ขอให้ถาดทองคําจมลอยพวนกระแสะน้ําไหลขึ้นไปแล้วค่อยจมลงพอตีฐานสะทายแล้วแน่แล้วก็ปล่อยถาดทองคําลงไปถาดทองคําก็ไหลพวนกระแสะน้ําขึ้นไป แล้วก็ไปวนสามรอบตกลงในแม่น้ำไปถึงที่พบพญานาคแล้วก็เสด็จกลับมาสู่โคนต้นโพ ท, ที่เคยกระทับนั่งก็มาพบเศษรษีโยธยาพามรือยาคาแตกกร ร, รออยู่แล้วโสธยพามก็น้อมเอายาคาแดก ร, รมเข้าไปทูเก้าบถวาย พระองค์รับแล้วก็ทรงกดเป็นบรรลังอธิษฐานพระไทยประทับนัง่งบำเพ็นเพียนเพื่อการตรัสรู้โดยพระองค์ทรงอธิษฐานพระไทยให้แน่วแน่ ว, ว่าถ้าหากเรายังไม่ได้ตรัสรูร้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดแม้ว่าร่างกายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งชีวิตจะแตกดับไปก็ตาม เราจะไม่ยอมลุกขึ้นจากบันลังนี้เพราะคราวนี้เป็นกาวสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วที่เราจะปฏิบัติเมื่อองค์ตั้งพระไทยแนวแน่เช่นนั้นพระองค์ก็มาทรงคำหนึ่งมาคิดตั ว, ว่าเราจะเริ่มปฏิบัติด้วยวิธีใดดีอดีตเพือ่อความทรงจำที่มันเกิดขึ้นแล้ว มาเตือนพระไทยให้นัดระเลึกถึงสมัยที่พระองค์เป็นพระปุมาเล็กๆในวันที่พระพิดาทำที่ตีแรกนาวขวัญพระตีเลีลเ้ยงนางนมผูกพระโอ๋ให้บรรทมอยู่ใต้สนว่าเส <c oughs> ื่งในช่วงเวลานั้นคนทั้งหลายเขามัวเพลิดเพลินในการดูมหาลัตตกและที่ตีแรกนาวขวัญ ไม่ได้เอาใจใส่พระองค์ท่านปล่อยให้พระองค์ตัวเล็กๆบันทมอยู่ในพระอู่แต่เดียวได้ในช่วงโอกาสนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นมาประทับนั่งขัดสมาธิก่อนหลดลมหายใจเข้าหายใจออกได้สมาธิขัน้นประสมมาชฌะ เคยจิตโอยู่ที่ลมหายใจสติโลดู้อยู่ที่จิตแล้วมีกายเบาจิตเปบากายสงกจิตสงกมีที่ติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกขัตตาพอพระองค์มาคัหนึ่งมาได้ถึงตรงนี้พระองค์ก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าอ๋อจุดเริ่มแห่งการตรัสรู้มันอยู่กันที่ตรงนี้ เสรแล้วพระองค์ก็เริ่มกำหนดรู้ลมหายใจทันทีพระองค์น้อนจิตมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยความมีสติจำปัญญาเป็นว่าพระองค์บำเพ็ญสมาธิโดยอาศัยหลักธรรมชาติทาร้อจิตก็เป็นธรรมชาติ คือว่าธรรมชาติก็ต้องเหตุว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตตัวรู้ก็เป็นธรรมชาติของจิตพระองค์จึงน้อมเอาตัวรู้มารู้ที่ลมหายใจโด ย, ำโดยกำหนดโลลมหายใจเข้าหายใจออกโลกลมหายใจด้วยอาการเบาๆพระองค์ไม่ได้คม ลมไ ม, ไม่ได้บังคับลมหายใจหรือไม่ได้ค่มจิตเพียงจะให้จิตฟ้องพระองค์สัมผัสรู้โดยที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงอย่างเดียวคือรู้เฉยอยู่ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจจ้าลมหายใจละเอียดพระองค์ไม่ได้คิดทั้งนั้น เพราะถึแม่ไม่คิดคิดเขาจะต้องเขาย่อมทำหน้าที่รู้ของเขาอยู่โดยปกติจึงไม่จําเป็นต้องคิดว่าสั่นหรือเจ้ <c oughs> แล้วก็มีพระสติกําหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก <c oughs> เมื่อจิตของพระองค์ท่านรู้อยู่ที่ลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ ในช่วงใดจิตชึงลมหายใจแล้วไปเกิดความคิดขึ้นา ม, มาพระองค์ก็กำหนดรูกความคิตเมื่อจิตยังไม่มีพลังงานเพียงพอพอกําหนดรูกความคิตเท่านั้นจิตจะหยุดพอหยุดแล้วก็จะกลายเป็นความว่าพระองค์ปล่อยให้จิตของพระองค์รู้จุดที่ลมหายใจความคิดความว่า สลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งในที่สุดสมาธิเริ่มเกิดขึ้นรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบจิตมายึดลมหายใจเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวตอนนี้จิตมากาะลมหายใจอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมทราบจากลมหายใจ เมื่อลมหายใจค่อยละเอียดตรงละเอียดลงเจ็บก็สงบละเอียดล ง, ปดลงไปตามลําดับบางครั้งมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นพ่อยาวมีลักษณะสว่างเลื่อเลือ่อเหมือน ก, นกันกับความสว่างบนเลวทบอกแต่วิ่งออกวิ่งเข้า สั้นยาวการจังบะแห่งการหายใจเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปทิ้งลมหายใจนิ่งเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ากลางของร่างกายเพอไปสว่างอยู่ในท่ากลางระหว่างทวงอกทีนี้จิตจะยับยั้งรู้อยู่ในระหว่างทวงอก เป็นสมาธิเป็นปมแห่งการตรัสรู้เมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท้ำกลางของร่างกายสามารถเปล่งและจะมีพุ่งออกมานอกกายทำให้กายสว่างสวัยเป็นแสงสว่างทมร่างกายอยู่ทั่วหมด แล้วจิตของพระองค์ก็สามารถกำหนดรู้ส่วนต่างๆของร่างกายยังข้อเนกาโจกายของเรานีแหละพอเห็นกายได้สนัตสนิจิตตรงนี้ก็รู้ว่ากายของเรานี้มีส่วนประกอบด้วยผมขนเล็บกันหนังเลือดเอ็นกระดูกแต่ว่าในขณะนั้นจิตรู้ รู้อยู่เฉยๆมองเห็นผมก็ไม่ว่าผมเห็นขนไม่ว่าขนเห็นเล็บไม่ว่าเล็บเห็นอะไรเลยว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจิตสามารถรู้เห็นพร้อมหมดทุกสามิสองอากานในขณะจิตเดียวเท่านั้น <c oughs> มองเห็นปอดกำลังทำหน้าที่สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกาย มองเห็นหัวใจกำลังเต้นฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเจ็บอาหารละเอียดบริสุทธิธไ์ไปสำหรับเลี้ยงร่างกายมองเห็นเลือดลมไหลหมุนเวียนตั้งแต่สมองลงมาฝ่าเท้าแต่ฝ่าเท้าเวียนขึ้นไปถึงสมองและกระจายไปในส่วนต่างๆของร่างกาย ก็ทำให้พระองค์รู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้ร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยอาการ32ผมขนและฟันหลังด้วยเอ็นกระดูกเป็นต้นในส่วนที่พระองค์รู้เห็นส่วนที่มันมีลักษณะแข็งแข็งเช่นผมขนและเป็นต้นก็เป็นธาตุดินส่วนโลหิต น้ำที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำส่วนลมที่หายใจเข้าหายใจออกมีประสิทธิภาพผลัก ด, ดันเลือดให้หมุนเวียนไปทั่วร่างกายก็เป็นธาตุลมความอบอุ่นอยู่ในในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำ เป็นว่าในขณะจิตเดียวนั้นพระองค์สามารถรู้อาการสามิสองทั้งอสุภกรรมฐานและภาตสรรมฐาน้อมไปในขณนะจิตเดียวกายกตาสติสูตรที่เราสวจกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา ท่านจึงจัดเอากาจักตาสติเป็นอารมณ์ของสมถะสมถานเมื่อพระองค์รู้เห็นเจนีจิตไม่ยอมถอนออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดามีแต่ก้าวเดินหน้าเรื่อยไปเจตเกิดสงบสะเหียดลงไปจนกระทั่งร่างกายจางหายไปในที่สุดจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฐาน เข้าู่จะตดฌานไปคานที่สี่ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเป็นดวงกลมกมใสสว่างเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นจิตสมาธิขั้นสมถะหรืออัปนาสมาธิ าว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็อัปปนาฌานโดยฌานที่สี่เมือจิตยัดยั้งอยู่ในฌานที่สีพอสมควรแล้วจิตก็กล่าวเป็นตัวอากาศไปกําหนดรูปความว่างเป็นอารมณ์กําหนดอารมณ์ละเอียดลงไป แล้วก็รู้วิญญาณเด่นทัดวิญญาณก็คือตัวรู้ตัวรู้ในขณะนี้ก็ได้แก่จิตนั้นเองจิต เ, เป็นธรรมชาติรู้ที่ละเอียดสุขมุมแล้วก็วิบเข้าไปสู่สัญญาเวทธิตะในโรกหรือเข้านโลกสมาบัติเมื่อเข้านโลกสมาบัติแล้วไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนั้น พอเจตใต้พลังงานเต็มที่แล้วสมาธิขจ่นแข็ง <c oughs> นิโรธสมาบัิเป็นฐานสร้างพลังศิษเพื่อกระเพื่อกระโดดขึ้นใจสู่ภูมิแห่งโลกุตระเมื่อเจตใต้พลังเทียงพอแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสว่างสวัยสามารถแท่รัศมีภมจักรวาลทั้งสิ็น ่างแต่อเวจีมหานรกไปจงกระทั่งถึงคมโลกท่านอากิศฐาสมโดยรอบจดขอบเขตแพงจักรวาลสว่างสวัยทั่วไปหมดไม่มีสิ่งใดกำบังเยียนทำให้พระองค์ปรัสโลเป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกเคยโลโลกยมโลกไต้ก่โลกนรกโภทีปีศาจเลสอสุรกาย มองดูแล้วกลัดไปได้หมดสาสตร์บางตัวก็ปวดโตปวดโ ต, ตอยู่ในหม้อน้ำทองแดงสาสตร์บางตัวก็วิ่งขึ้นต้นยิ้วหนามยิ้วมันก็ะเอาอันนี้เรียกว่ารู้จมมารโลกคือโลกเพื่องต่ำต่ำกว่ามนุษย์ลงไปรู้จนกระทั่งผีพรพยาหนะักมนุษย์โลกแล้วก็มารู้โ ล, โลกของมนุษย์ โลจกนกระทั่งว่าชาตในอดีตแล้วก็โลเทวโลกคือโลกของเทวดาตั้งแต่ท่านจาตุมถึงท่านอาสนิถามุมแล้วก็โลอาสวะคือกิเลสโลการจุดตีละเกิดของสัตว์ทั้งหลายโลกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมในขณะจิตเดียวเท่านั้น ในช่วงนั้นร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนรู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งเพียงอย่างเดียวเห็นแต่ว่าเห็นรู้แต่ว่ารู้รู้อย่างไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ว่าจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดในเมืเ่อจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดแล้ว เป็นโพอสารพญาณโลกวิโตผู้รู้แจ้งโลกะะโพอสารพญาณผู้รู้โคตรเก่าโลกเก่าของพระองค์เองโลกเก่าของสัตว์ทั้งหลายโลกเก่าของกรรมและกิเลสทันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องสุขิละเกิดใจครอบครูต่างๆกันนี่คือการตรัสโลของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ แต่ว่าการตรัสโลในขณะนั้นกิเลสยังไม่หมดนะยังจะ ต, ตรัสูลเฉยๆแต่สามารถรู้อะไรบบทุกถึงทุกอย่างกมรู้แจงชัดเจนแล้วจิตถอนจากสมาธิสิ่งที่โลเห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปความสว่างสวัยของจิตก็หายไปจิตย้อนกลับมาสัมผัสรู้ว่ามีกาย แล้วก็มาดำเนินอยู่ในปฐมฌานมีวิตกวิจารปีสุตุเอกษษัคตาเจตัวนี้จึงได้มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปกเกนิวาสานุสติญาณในปฐมฌานปกเกนิวารานุสติญาณคือญาณอะไรคืญาณรู้ธาตุก่อนพบก่อนว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่ครั้งกี่หน ก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระท่านชายเศรษฐาณีเกิดเป็นอะไรก่อนที่จะเกิดมาเป็นท่านชายเนี่ยขาดก่อนได้เป็นพระเจ้าเวสสันดรได้ ใ, ให้ทานสามาโปกระบือจนกระทั่งชาวเมืองขับไล่หนีไปบวดเป็นฤาษีพระองค์รู้ทั้งหมดพอจากขาดนั้นจึงมาเกิดเป็นท่านชายสิทธฐาณ์แล้วก็มาเป็นก้าพเจ้า อันนี้เรียกว่าปกเกนิวาสานุสติญาณู้ทัดในอดีต